เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศล ท, ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24กันยายนพุทธศักราช2559เป็นวันพระวันธรรมวัวนาวันฟังธรรม วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดบัญญัติให้พุทธศาสนิกชนได้ปล่อยวางภารกิจการงานทางร่างกายทางโลกทางลาบยศสรรเสริญทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วให้เข้ามาวัดเพื่อมาสร้างประโยชน์ให้แก่จิตใจ สร้างความสุขให้แก่จิตใจด้วยการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมเพราะการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมมีคุณมีประโยชน์อยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ำอีก ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสามจะกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้ <c oughs> สีจะทำให้เกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องห้าทำให้จิตใจผ่องใสมีความสุขนี่คือประโยชน์ ที่เราจะได้รับจากการมาวัดในวันพระมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันวันนี้พอดีวันพระตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ญาติโยมที่ไม่ต้องไปทำงานก็จะสามารถมาวัดมาทำกิจวัตรของชาวพุทธได้แต่ถ้าวันพระไปตรงกับวันอื่น เช่นวันจันทร์วันอังคารเป็นต้นญาติโยมที่ต้องไปทำงานก็จะไม่สามารถมาวัดมาทำภารกิจทางจิตใจได้ดังนั้นญาติโยมที่หยุดทำงานวันเสาร์อาทิตย์จึงควรถือถือวันใดวันหนึ่งในสองวันนี้เช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นวันพระแทนวันพระที่ ได้กำหนดไว้ในปฏิทินเพราะถ้าไปตามวันพระที่กำหนดไว้ในปฏิทินถ้าไปตรงกับวันที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ก็จะไม่ได้มาวัดไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจึงต้องปรับเปลี่ยนวันพระของเราใหม่ไม่เป็นไรวันพระนี้ความหมายที่แท้จริงก็คือวันหยุดทำงาน วันไหนเป็นวันหยุดทำงานวันนั้นควรจะเป็นวันพระของเราเราควรที่จะหยุดทำภารกิจทางร่างกายทางโลกทางร่างยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรถแล้วมาทำภารกิจทางใจมาฟังเทศเพื่อเราจะได้รู้วิธีที่จะสร้างความสุขให้กับใจของพวกเรา ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปจะเกิดขึ้นได้ตอนเมื่อเรามาฟังเทศฟังธรรมกันพอเราฟังธรรมเราก็จะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันเวลาเราอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่อื่นเราจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังเรื่องธรรมมากกันเราจะได้ยินแต่เรื่อง ทางโลกทางเงินทองทางธุรกิจทางความรักทางอะไรต่างๆทางการเที่ยวทางการหาความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายซึ่งไม่ได้เป็นการหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เป็นการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราได้อย่างแท้จริง ดับได้ก็เดียวเดียวเช่นเวลาเราไม่สบายใจเราก็ไปเที่ยวกันพอเราเที่ยวความไม่สบายใจก็หายไปชั่วคราวพอกลับมาบ้านก็มาเจอปัญหาเดิมความไม่สบายใจก็กลับมาเหมือนเดิมนี่ไม่ใช่วิธีที่ดับความไม่สบายใจดับความทุกข์ใจวิธีดับความทุกข์ใจต้องมาวัด มาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะได้ยินได้ฟังว่าความทุกข์ใจของพวกเรานี้เกิดจากอะไรกันแน่เกิดจากการสูญเสียสิ่งที่เราลากไปเกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเกิดจากเหตุอย่างอื่นตามที่พพุทธเจ้าได้ทรงศึกษาได้ทรงค้นคว้าได้ทรงปฏิบัติก็ทรงค้นพบ ว, ว่า ความไม่สบายใจของพวกเราความทุกข์ใจของพวกเราไม่ได้เกิดจากการสูญเสียสิ่งต่างๆไปไม่ได้เกิดจากเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่เราตายไปความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเราเช่นอยากจะให้ของต่างๆที่เรามีอยู่นี้อยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆ แต่เราไม่รู้ความจริงของของต่างๆที่เรามีอยู่ mm hmm. เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นว่าของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติชั่วคราวจะไม่อยู่กับเราไปตลอดจะต้องมีวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งที่เรากับของต่างๆเหล่านี้จะต้องมีการพราดพลาดจากกันไป แม้แต่ร่างกายของเราอันนี้ก็ต้องมีการพัดพาจากเราไปต่อไปร่างกายก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะตายไปพอตายเรากับร่างกายก็แยกทางกันเราอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายใจคือผู้ที่ไม่ตายใจผู้ที่ต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไป หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าเรามีความอยากไม่ตายเราก็จะทุกข์เราจะไม่สบายใจถ้าเรามีความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเราเจ็บไข้ได้ป attached, ่วยเราก็จะไม่สบายใจถ้าเราอยากไม่แก่เวลาเราแก่เราก็จะไม่สบายใจแต่ถ้าเรารู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกาย ที่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้าเราเห็นความจริงอันนี้เรารับความจริงอันนี้เราก็จะไม่ทุกข์เพราะเรารู้ว่าการไปอยากให้ไม่แก่นั้นเป็นไปไม่ได้อยากให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นไปไม่ได้อยากให้ไม่ตายนั้นเป็นไปไม่ได้ อยากอย่างไรมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าอยากก็จะทุกข์ทรมานใจถ้าไม่อยากก็จะไม่ทุกข์ทรมานใจจะแก่อย่างสบายจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างสบายจะตายอย่างสบายนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้ทรงค้นพบองสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้ เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราดูเห็นร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งส่วนใจนี้เป็นเหมือนคนขับรถคนขับรถกับรถยนต์นี้เป็นคนละส่วนกันเวลารถยนต์เสียคนขับไม่ได้เสียไปกับรถยนต์เวลารถเสียก็เอาเข้าอู่ไปซ่อมคนก็รอให้เขาซ่อมซ่อมเสร็จก็เอาไปขับต่อ ฉันใดร่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์ใจก็เป็นเหมือนคนขับใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆอย่างวันนี้ใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายมาวัดสั่งด้วยความคิดพอคิดแล้วเราก็พาร่างกายมาวัดกันนะร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์ใจเป็นเหมือนคนขับคนขับต้องการ ไปไหนก็ขับรถไปตามที่สถานที่ต้องการไปพอรถเสียก็เอาเข้าอู่ไปซ่อมคนขับก็รอให้ซ่อมเสร็จพอซ่อมเสร็จก็เอาไปขับต่อร่างกายก็เหมือนกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องนอนรักษาเอาไปซ่อมไปโรงพยาบาลไปให้หมอซ่อมให้หมอนี่ก็เป็นเหมือนคนซ่อมรถยนต์นี่เอง แต่แทนที่จะซ่อมรถยนต์ก็มาซ่อมร่างกายส่วนใจก็รอให้ร่างกายหายก่อนแล้วค่อยไปทําอะไรต่างๆได้ใจถ้ารู้ความจริงก็จะไม่ได้อยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่อยากไม่ได้มีความอยากจะให้มันหายทันทีทันใดพรารู้ว่ามันต้องใช้เวลาต้องรักษาแล้วรู้ด้วยว่า บางโรค ก, ก็รักษาได้บางโรค ก, ก็รักษาไม่ได้แต่จะเฉยๆกับมันรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไป น, นี่ถ้าเรารู้จักแยกใจออกจากร่างกายรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายรู้ว่าที่เราทุก์กับร่างกายก็เพราะว่าเราอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ตายไม่แก่นั่นเองเราจรึงทุก์กัน ถ้าเราไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ทุกข์เราก็จะเฉยๆไม่เดือดร้อนนี่คือวิธีที่พระเจ้าได้ท่งปฏิบัติได้ส่งค้นพบและได้ส่งหลุดพ้นจากความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายพวกเราก็ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้เช่นเดียวกัน ถ้าเรารู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะอยากยังไงมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันอยากไปก็ทุกไปเปล่าๆถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกเหมือนกับเวลาเราเอาค้อนมาทุบศีรษะเราทุบไปมันก็ทุกถ้าเราไม่ทุบมันก็จะไม่ทุกเนความอยากของเรานี่เหมือนค้อนที่จะมาทุบใจของเราให้ใจของเราทุก ทำให้กวนกวายกระสับกระสายกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่พอเราหยุดความอยากเรายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายได้เราก็จะหายทุกข์เลยนี่คือธรรมที่พวกเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพวกเราจึงทุบ ก, กับเรื่องของร่างกายเพราะเราไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเมื่อมันเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็จะอยากให้มันดี อยากให้มันสุขไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันตายกันแต่เราลืมมองความจริงของร่างกายกันว่าร่างกายของทุกคนไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องมีวันแก่มีวันเจ็บและมีวันตายไปถ้าอยากให้ไม่แก่อยากให้ไม่เจ็บอยากให้ไม่ตายก็จะทุกข์ ถ้าไม่อยากถ้ายอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะสบายอาลองทําดูไม่เชื่อลองทําดูเวลาแก่ก็บอกอแก่ก็แก่ไปห้ามมันไม่ได้ผมงอกจะไปหา้ามมันไม่ให้งอกมันก็ไม่ได้ผมร่วงจะไปหา้ามมันไม่ให้ร่วงก็ไม่ได้หนังเหิวจะทําให้มันไม่เหิวก็ไม่ได้ ปล่มันไปแล้วจะไม่ทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปรับรองได้ว่าใจจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นเดียวกับเวลาตายมันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้ก็ยอมตายให้มันตายไปพอยอมแล้วเราจะไม่ทุกข์เราจะตายอย่างสบาย นี่คือธรรมที่พวกเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพอมาฟังแล้วเราก็จะมีความรู้ที่เราไม่รู้มาก่อนที่เราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับจิตใจของเราได้าะจะช่วยทำให้ความทุกข์ของเจ้านี้เบาบางลงไปน้อยลงไปแล้วทำให้ใจของเรามีความสุขมากขึ้นแล้วทุกครั้งที่เรามาวัดเรามาฟัง ทำอยู่บ่อยๆเราก็จะเข้าใจดีขึ้นเพราะถ้าเราฟังหนเดียวเดี๋ยวเราก็ลืมพอเราออกจากวัดไปเราก็ไปคิดเรื่องหาเงินหาทองหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะลืมว่าร่างกายเราจะต้องแก่เจ็บตายเวลาร่างกายเราแข็งแรงนี้เราไม่ค่อยได้ คิดถึงเรื่องของร่างกายเท่าไหร่จะมาคิดก็ตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยพอเห็นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยคิดว่าอาจจะตายได้เท่านั้นแหละทีนี้ไม่คิดอยากจะหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาอะไรแล้วหาไปก็ไร้ประโยชน์หายไปตายไปก็เอาไปไม่ได้ได้มาก็ดับความทุกข์ใจไม่ได้เวลารู้ว่าจะตายในใจจะทุกข์มากต่อให้มีเงินกองเท่าภูเขา ต่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าไม่มีธรรมะนี้ใจจะทุกข์มากจะทรมานมากแต่ถ้ามีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจา้าจะไม่ทุกข์เลยจะรู้สึกเฉยเฉยจะไม่รู้สึกเดือดร้อน <Yeah. S 1> ดังนั้นเราต้องพยายามกลับมาฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมแล้วเราจะได้รู้จักวิธีดับความทุกข์ใจ ดับความไม่สบายใจต่างๆให้หมดไปแล้วเราจะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีหรือไม่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่จริงหรือไม่พระอริยสงสากของพระพุทธเจ้ามีหรือไม่เพราะเราจะเห็นจากการที่เราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเราจะเห็นว่าเราสามารถดับความทุกข์ใจของเราได้ ด้วยการทำตามคำสอนคือหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายพอเราหยุดได้เราก็จะหายจากความทุกข์เราก็จะไม่สงสัยว่าคำสอนนี้เป็นของใครคำสอนนี้เป็นของพระพุทธเจ้าและเป็นคำสอนที่ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ เป็นคำสอนที่ทาให้พระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดล้เราก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่สงสัยว่าพระอริยสงสาวกมีหรือไม่เพราะเราเห็นแล้วว่าถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ เราก็จะเป็นพระอริยสงสารกขึ้นมาได้เราก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ถูกต้องหรือไม่พระอริยสงสารกที่ปฏิบัติตามคาสอนได้บรรลุได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจริงหรือไม่ความสงสัยเหล่านี้จะไม่มีอยู่ภายในใจของพวกเรา เราจะเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราทำให้พวกเราดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปได้เราจะอยู่อย่างมีความสุขไปจนถึงวาระสุดท้าย จะไม่มีความทุกข์กับละลายเลยเพราะเราจะหยุดความอยากต่างๆหยุดความอยากได้ลามยศสนเสริญเมื่อเราหยุดแล้วเวลาเราไม่มีอะไรเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราอยากมีกันอยากมีเงินมีทองพอไม่มีเงินทองก็ทุกข์กันเวลามีก็ไม่อยากให้มันหมดเวลาหมดก็ทุกข์กันแต่คนที่ ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เป็นของชั่วคราวไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงจะต้องมีวันหมดไปสักวันใดวันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆเช่นบิดามารดาปูย่าตายายสามีภรรยา บุตรดายาสนิทมิสหายบุคคลเหล่านีไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าจะต้องจากกันเราก็เตรียมตัวเตรียมใจอย่าไปอยากให้ไม่จากกันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์เกิดจากความไม่อยากให้จากกันแต่มันเป็นไปไม่ได้ ของทุกอย่างในโลกนี้จะต้องมีการพัดภาาจากกันถ้าเราคอยสอนใจคอยเตือนใจคอยหยุดห้ามหากห้ามจิตใจไม่ไปอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดให้พร้อมให้เขาจากเราไปเพราะเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนฝนฟ้าอากาศฝนก็มีตกในหยุดได้ผาทิชก็มีขึ้นมีลงได้ของทุกอย่างในโลกนี้ก็เหมือนฝนฟ้าอากาศ เราไม่สามารถไปห้ามเขาได้ไปสั่งเขาได้ไปสั่งให้เขาอยู่กับเราไปตลอดหรือไปห้ามไม่ให้เขาจากเราไปถ้าเราเห็นความจริงอันนี้แล้วเราพยายามทำใจหยุดความอยากต่างๆไม่ไปอยากให้เขาอยู่หรือไม่ไปอยากให้เขาไม่จากเราไปเราจะไม่ทุกข์ใจเวลาที่เกิดการพัาดพลาดจากกัน เราจะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายอยู่อย่างมีปัญญาปัญญาก็คือการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็ได้เช่นเจริญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีก็ได้เช่นเสื่อมเช่นเงินทองนี้ อาจจะมากขึ้นก็ได้อาจจะน้อยลงก็ได้อาจจะหมดไปก็ได้เราก็ห้ามมันไม่ได้อยากให้มันขึ้นอย่างเดียวมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราอยากอยากจะให้มันไม่ลงก็ห้ามมันไม่ได้ดังนั้นเราต้องมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนฝนฟ้าอากาศพวกเราไม่ค่อยทุกข์กับฝนฟ้าอากาศกันเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มีความอยากให้ฝนฟ้าอากาศ เป็นไปตามความอยากของเรานั่นเองเราจึงไม่ทุกข์กับฝนเวลาฝนตกเราก็ไม่ทุกข์เวลาฝนหยุดเราก็ไม่ทุกข์เวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราปล่อยวางเขาเราปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติแต่พอเรื่องเงินทองเรากลับไม่ยอมปล่อยเรื่องตําแหน่งต่างๆนี่เราไม่ยอมปล่อยเรื่องคนนั้นคนนี้เราไม่ยอมปล่อย เราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นเราก็เลยเสีย อ, อกเสียใจทุกใจไปเปล่าๆต่อไปนี้เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนฝนฟ้าอากาศเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้เช่นร่างกายเราไปสั่งให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ ถ้าเราไม่ไปสั่งเขาเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราไปสั่งเราจะทุกข์เพราะเราจะอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเราจะทำให้ความทุกข์ภายในใจของเราน้อยลงไปจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากมายก่ายกอง มีพออยู่พอกินไปวันๆอย่างนี้เรากับจะมีความสุขมากกว่ามหาเศรษฐีที่ไม่มีธรรมะคนที่ธรรมะมีธรรมะนี้จะมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่มีธรรมะคนที่ไม่มีธรรมะต่อให้มีเงินทองร้อยล้านพันล้านต่อให้มีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นนายกเป็นอะไรก็ต่างจะไม่มีความสุขเท่ากับคนที่มีธรรมะ คนที่มีธรรมะมักจะไม่ค่อยมีอะไรเพราะเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนั่นเองอย่างพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตาสาวกเนท่านไม่มีมทรัพสมบัติเข้าของอะไรเหมือนกับพวกเราเพราะท่านรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์มันมีแต่จะทําให้เราทุกข์มากขึ้นท่านจึงไม่มีมันส่วนพวกเรามันโง่เรากลับไปเห็นว่ายิ่งมีมากยิ่งมีความสุขมากแต่เวลา มันหมดไปนี่ความสุขที่มีก็หายไปกลายเป็นความทุกข์ไปดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคือหยุดความอยากต่างๆอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมีอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่าไปอยากให้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆที่เรารับไม่จากเราไป เพราะว่าสักวันหนึ่งจะต้องจากกันถ้าเราไม่อยากแล้วเวลาอยู่ก็ไม่ทุกข์เวลาจากกันก็จะไม่ทุกข์นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาวัดเมื่อมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเมื่อฟังแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติพอเราปล่อยวางได้เราก็จะสบายจะไม่ทุกข์กับอะไรจึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้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 แข็งค่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ <c oughs>